แต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้เพื่อเป็นหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหน มาตัดสรูปเราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มาตัดสรูปธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตัดสรุมาแล้วแม้สมเด็จพระ ส, โโสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา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 เราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติติทุกขาความเกิดก็เป็นทุกชาลาปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกเมรณมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกทุกสิ่ง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 แต่สำหรับโศกะความโศกเศร้า <c oughs> ปริเทวะความล่ำลามลำพันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสูลด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์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 แล้วก็มาบัญญัติสับบัญญัติชื่อไว้สำหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกข์อริยสัจและอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั้นเล่าหมายถึงทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิต จ, จิตใจ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 ก็มีปรากฏการขึ้นชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า ว, ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อ น, นัตตาไม่เจตัวไม่เจตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคําว่าทุกในอริยสัจ และทุกในพระไตรลักษ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ใหญ่ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอบายด้เป็นผนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า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 กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ชำนิชำนาญในการภาวนามาแล้วก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียว และคอยจดจ้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกาหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กาหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กาหนดรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปทุกวาระจิตที่เรามีบามคิดขึ้น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 ตามที่ตนชำนิชำนานเช่นพุทโธเป็นต้นให้คำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธนนกอยู่อย่างนั้นเนกอยู่เฉยอย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่าง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 ให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุทธโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีต ท, ที่เราเคยนึกคิดต่จดจำซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากาพุทธโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุทธโธแลว้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามวิสัยเดิม เป็นอาการของจิตฟุ้งสั้นแต่ถ้าหากว่าจิตเลิมคำว่าพุโทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุโทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยเยอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปลากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่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 ความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจ่อมรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาว หรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกาหนดรูลมที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกาหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงท้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมา ก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นพาสิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสําคัญมั่นหมายอย่าไปเอะใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว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 อันนี้เรียกว่าวิจารเมื่อจิตกับอารมณ์มีความซึมซาบและมีความซาบซึ้งลงไปในดวงจิตความดูดดื่มก็ย่อมเกิดขึ้นอาการดูดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโครงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศ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 จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะาจตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือเอกคตาอย่างแท้จริงแล้ว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 นี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิม สภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตเรียกว่าปฐมบิน ญ, ญาณเรียกว่าโมทัตเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตด่างเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไร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 อันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทาจิตไดถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมนาหรือกาหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาน้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้ จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้ง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 สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบชวยโอกาสในตอนนี้กำลนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตอนเองไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิภาควิจาร์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิต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 แต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสะแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพระเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมา ในเมื่อเจตลุงความโลขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแตู่้เฉยอยู่อะไ ร, รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปโลขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตมันสงละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสาย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 เมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพละหา้าพร้อมจิตจิตมีศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อ ม, ม, ล, ม, ญญ ม, อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรล้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นได้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 ในเมื่อเจิตกาหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ่งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ่งลงไปว่าความคิดผ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันจะรู้อยู่ในทีแต่มันจะไม่ว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันรู้ซึ่งงแล้วก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่าง อีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินพูมความโลภพมมปัญญาที่เกิดขึ้นมาเคือมันรล้งซึ่งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคำพีท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมแห่งประสูดาบัน ครั้งที่สองจตเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกะทาคามีครั้งที่สามเจตเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่เจตเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอระหันต์เช่นอย่างท่านัญญาโกณทัญยะฟังพระธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไร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 เมื่อท่านอัญญาโคนทัญญารูแล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากพุ่งอุตภาทิจากสุขของท่านสว่างโพงขึ้นมาปัญญาอุตปาทิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพงขึ้นมา วิชาอุตปาธิความรู้แจ้งเข็นจริงอาความรู้แจ้งเข็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเข็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุตปาธิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สุดสิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้ พวกเทวดาภูมิเทวดาอาการศัตระเทวดาจงกระทั่งพร ม, มโลกก็ส่งเสียงอึ้งะนึงบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหันตอรหันต์ปฐมมาสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังคกือกก้องปจุกระทั่งท่านอากนิษฐาผลมที่เราสวดต่อท้ายรรมาจากกัปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวด ก็หมายถึงสดว่ า, าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านัญญาโกลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุประสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นอนิออากขกนิธาผมทำไมจึงเทเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านัญญาโกณทัญญาเนี่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 แล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจะกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแอดตรต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะสิ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับปัญหาของของท่านอันดับแรกมีคำถามว่า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 การทำสมาธิพันลุชานขั้นที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือจิตยังมีวิตกมีวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาอยู่กลอมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างผู้ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้งห้า คือยังมีวิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกะขะตาอยู่กลอมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่หนึ่งถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ คือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวสีลักษณะของฌานที่ปลาบุดขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุปพานิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทมสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคําตอบข้อที่สอง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 อันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกับคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกับคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง ถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สซึ่งประกอบด้วยองสองมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วก็มีความบางเฉย ค, คืออุเบกขาเป็นลักษณะ ผู้ที่ได้ฌานข้อที่สามผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ดได้ฌานสี่แล้วจะพ้นอบายภูมิไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ถ้าได้ฌานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายภูมิชั่วขนาดหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมเมื่อกําลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่โยติจากพรหมแล้วก็ลงนรก ยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นทั่วขนาดที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายดังเช่นลลกเศรษ์ของท่านพระมหากัสปะาได้าเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนเหาะไปเหาะไปอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่ง สามเมนเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พ อ, พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงศสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพรับหนึ่งเข้าฌานไม่ทนันฌานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกสี่โคงไม่หักเพราะกำลังฌานนั้นช่วยพยุงอยู่ เพราะฉะนั้นคำว่าฌานฌานเนี่ยจะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อออกมามาอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตัดสุขเพราะมันมีเสื่อมมีเจริญ ถ้าหาข้อพู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำนาญเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามมนเณรลูกศิษย์พระมหากรสปะห่อไปในอากาศจิตถอนจากฌานเพียงขณะเดียวตอนนั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสีแล้วยังไม่พ้นอบายวภูมิพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเอง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 สมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอั ป, ปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่สามขั้นที่สต่ติยาฌานจะตุทะฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติ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 จิตมองเห็นเจตภาษาที่เรียกว่าเจตก็ยังมีอยู่เจตโลเห็นอะไรก็ยังมีการทักท้วงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจาระสมาธินี้ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อเจตพันตามรู้ตามเห็นความรู้ภูมรู้ในขั้นอุปจาระสมาธิ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 แต่ภพมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติปัญญตัตในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักปรปวัตตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากนเนี้ที่ทานญญาโคนทันญะเห็นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเอง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 แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นพิจิตรณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองอในเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภะกรรมาฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นอสุภะเน่าเปื่อยปุกพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ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 พร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อเจตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสีแหละสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการที่เกิดขึ้นในเจตของท่านผู้ภาวนา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 ปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินฌานสี่เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามยึงจะขอถือโอกาสนี้อตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมเนื้อมาจิตเดินฌานในระยะแรกนั้น เราสามารถกำหนดวิตกวิจารปีติสุกเอกคตากำหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อ น, นักเข้าทำไม่กำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือว่ามันจเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้่ะเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนานแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารณ์เกิดปีติด จิตมันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานั้นเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนานก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนานของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุข ไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในค ร, ครั้งต่อๆมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าปีติสุขเอกะขะตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตทลับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิตจิตรวมว บ, บเข้าวิ่งพรวดเข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่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 ในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุ้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรตอบปัญหาของท่านที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่6วิการโภชนาะ คือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนูทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีลแปดหนูอยากจะกล่าวว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโพชนะนั่นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยง ต ะ, ะตะวันคล้อยไปเพียงสององคุลีถือว่าเป็นวิกาลปูเป็นเวลาบ่ายอันนี้การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สะดวกเรื่องศีลแปดนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนะักเพียงแต่แข็งในศีลหข้อเท่านั้นสามารถบาเพ็ญสมาธิ บรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายสีการถือศีลเกินกว่าห้านี่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาวบ้านธรรมดาที่แข่งอยู่ในศีลห้าเขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทาอะไรก็ได้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 ล่องเรือไปในลําแม่น้ำบางเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วเพราะน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติปาจิตติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้งสองหมื่นปีไม่สำเร็จมักผลนิพพานใดๆไม่รู้ทำเห็นทำแต่เป็นฆรวาสแล้วจะถางป่าขุดดิน แล้วก็ไปภาวนาอย่างสําเร็จมรรคผลนิพพานได้พระเถรศีล2องยยีไปเด็ดไปไม้ใบเดียวภาวนาไม่รู้ทำเห็นทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าให้แข่งในศีลห้าข้อเมื่อแข่งในศีลหข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นน่นะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเอง อ่าสำหรับปัญหาขวามท่านนี้ขอแค่นี้